พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าท่านพร้อมเดินทางไกลแล้วหรือยังตามที่พระบอกว่าลงมา ลงมาฉันสี่บสองคงวดไปวัดไม่ฉันอยู่หลายองค์ลงมาฉัน42รปูปแต่พระจำบันสาทั้งหมด48รูปปีนี้วันนี้เป็นวันเอาจริงจังเมื่อวานเป็นวันสตาร์สตารเครื่องไอ้ก็ออกไปวินิจบาท นอกวัดเหมือนกันแต่ยังไม่ถือธุดงแต่วันนี้ถือธุดงแล้วหลวงพ่อยังพูดกับเมื่อเช้าเนี่ยบอกให้ดาบดาบเอกช่วยช่วยกันตวลูกน้องด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> ตีลูกน้องที่ถือตะกร้าต้องจับมาให้เด็กน้อยมาฟังอบรมซะก่อนว่า <c oughs> การรับบารตอนเช้ารับยังไงให้จําไว้นะองคไหนเพราะว่าที่ถ่ายออกมาจากบาดองค์ไหนจะไม่จะไม่ให้สลับกันองไหนก็องค์นั้นแต่ถ้าหากว่าคนไม่พอพระเยอะหลวงพ่อก็ได้บอกพระไว้แล้วว่า อาหารอันไหนที่ตัวเองจฉันก็ไว้ในบาทถ้าตัวเองไม่ฉันก็ออกมาใส่ตะกร้าเพราะว่าเด็กคนไม่พออาหารในบาทก็เพียงพอแล้วละ่ะองค์เดียวฉันแต่หากว่ามันมีครบทุกองค์ทั้งสี่สิบกว่าองคนมันก็หาคนยากเหมือนกันแต่ละวัน ตอนท่านเวลาใส่อาหารเข้าไปคงจะขรนปนเปกันไม่องคไหนองค์นั้นแต่ตามไม่จริงในการถือธุดงของพระท่านก็บอกว่าเราจะเราจะไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังคือไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังคือเข้ามาในวัดแล้วจะไม่รับอาหารคือความหมาย แต่ตามไม่จริงทุดหงข้อนี้ก็เป็นการให้พระดูในความฉันโดดแต่ทีนี้คณะทธาญาติโยมมาใส่บาตรมันก็สันโดดไม่ได้เพราะมันมากแล้วจะไปปิดบาตรได้ยังไงคนมาใส่บาตรอย่างที่วัดหลวงตาเป็นตัวอย่าง ก็ต้องรับกันอย่างมากมายเพราะต่างคนก็ต่างอยากอยากจะมาทําบุญอยากจะมาใส่บาตรตั้งอกตั้งใจมาตั้งหลายวันแล้วก็กางคืนกับเตรียมมหงอาหารทั้งคืนพอมาใส่บาตรผ้าปิดบาตรจะไม่ใส่บาตรจะมีความเสิ้เสียความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็ต้องได้ดูต้องได้ใส่บาตรทุกคน แต่ว่าการที่จะมาใส่บาตรก็ให้พี่น้องคณะสาญญาัททายาจมให้มาก่อนหกโมงประมาณหกโมงสี่สิบห้าหรือเจ็ดโมงมาถึงที่นี่อย่างช้าละเจ็ดโมงเพื่อมาเตรียมจัดสถานที่ของตนเองจะอยู่ยืนอยู่ที่ไหนแล้วก็ผู้ที่จะมารับบาตก็มาแต่เช้าหน่อยช่วงนี้พระบิณฑบาต สี่สายวัดป่านาคําน้อยของเราขณะนี้พะระสี่สิบแปดฟูกบินทบาปาดสี่สายสายหนึ่งไปนาคําน้อยสายที่สองไปบ้านนาคังสายที่สามไปบ้านชุมพลสายที่สี่ไปบ้านห้วยเวียงงามในวัดนาคําน้อยของเราเนี่ยมีสายการบินมีสี่สายการบินเหมือนนเลย <c oughs> มีสี่สายการบิน <c oughs> บินอะไรหลวงพ่อบินธบัท <c oughs> <c oughs> ก็สุดแท้แต่ท่านจะแยกกัน <c oughs> ท่านจะทางไหนทางไหนคนมากคนน้อยก็สุดแท้แต่คณะสงฆ์จะแยกแยกกัน <c oughs> แบ่งแบ่งแบ่งกันบินทบัืิโทรศัพท์ปิดไว้หนะ้า ทำอะไรไม่ปิดไม่ได้นะเหมือนกับหลวงพ่อเข้าไปในเรือนจำเขาในมลไปฉันออไปฉันผู้ว่าผู้วาการเรือนจำน้องอุดรของเราเนะี่ยพอเข้าไปหลวงพ่อบอกเคยบอกตะกอนว่าเรือนจำเนี่มีประตูทั้งสามชั้นประตูทั้งสามชั้นคนก็ยังเรียงคิวกันอยากจะเข้าคุก ประตูปิดอีกต่างหากแต่ประตูวัดเปิดทั้งสี่ด้านไม่มีใครอยากจะเข้าแต่ประตูคุกนี่ใส่ทั้งสามชั้นยังเรียงแถวกันอยากจะเข้าคุกอีกเพราะอะไพอาะทำความไม่ดีทำความชั่วมันก็ต้องติดคุกเข้าคุกแต่หลวงพ่อนิมนต์เขานิมนต์เข้าคุกทีไงนิมนต์ไปสวดมนต์พรหลวงพ่อไปสร้าง ไปสร้างหอพระไว้ในในเรือนจำํำผู้ว่าการเรือนจำโอ้หลวงพ่อเรือนจํำของเราสร้างมาตั้งนมนานเพราะท่านเป็นผู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ว่าเรือนจําเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้วักท่านเป็นมหาปทอเก้าเด็ท่านเป็นมหาปาทอเก้ า, ม า, ามาอยู่หลายปีละท่านครเรื อ, อ, รอนจําอุดรของเราเนี่ยดูดูแล้วเออ สุมพระเนี่ยแท่นพระเนี่ยสมพะเนี่ยที่ท่านตั้งไว้ให้นักโทษได้กราบได้ไหว้ตั้งจิตอธิษฐา น, นรู้สึกว่าชุดโสมม า, มากเลยหลวงพ่อผมขอความอนุเคราะห์จากทางวัดหลวงพ่อหนยถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อเ อ, อเท่าไหร่วันแสนกว่าบาทวัแสนกว่าบาทได้ได้หลวงพ่อกอะไรมอบให้ ค่าแรงมันมีปัญหาพราค่าแรงเอาในนั้นนี่มีแต่ค่าวัสดุแต่พอมพอทําพอจริงโอ้หมดไปหลายแสนเหมือนกันท่านคงหาทางอื่นมาร่วมศึกทำจากนั้นท่านก็เลยนิมนต์หลวงพ่อเข้าไปชั้นโอ้หลวงพ่อเข้าไปมันไม่ใช่สามชั้นนะคุกนะเจดชั้นนะเจ็ชั้นถึงสิบชั้นก็ยังไม่แน่พอเปิดเข้าไปพอเปิดเปิดไ ป, ไปยืนประตูแรกเนี่ยท า, างนอกทางในดลยทางนอกเนี่ย ข้างนอกเนี่เปิดให้แต่ข้างในต้องมองหน้าซะก่อนว่าเป็นใครมาขคณะผู้คณะผู้ว่าผู้ว่าการเดือนจําเป็นผู้นําไปแท้ๆอย่างว่าเขาก็ยังคิดว่าผู้การเดือนจำเลยถูกคุมตัวมาหรือเปล่าเขาังว่าอย่างนั้นอีกเลถ้าตรวจสอบอีกดูอีกเออดูหน้าดูตาเรียบร้อยอะไรยังค่อยเปิดเปิดเข้าไปก็ปิดเลย ป, ปิดทั้งหลังปิดทั้งหน้าอีกคนออกไปเข้าไปประตูนั้นอีก มองอีกดูอีกเปิดอีกโอ้ oh, ตั้งห้าห้าประตูประตูละสองเนะ่ยท้งนองทางในทางนอกทางในท้งนอ ก, น, น, อ ก, น, น, อกนี่แหละพอเข้าไปข้างในก็ไปนั่งไปสวดมนต์อยู่ที่นู่นเขาเขียนไว้อีกเนะีอย่างโทรศพัพท์เนี่ยเข้าไปนี่ใครถือโทรศัพท์เข้าไปนี่ขังคุกโดยไม่มีปีม่มีขุยเลยงแบนั้น เ, เออเพราะฉะนั้นเข้าไปพุกนี่ห้ามเด็ชขาดจะไปถือโทรศัพท์เข้าไป ถ้าถือเข้าไปแปลว่าผิดเลยเขางจับขังเลยเลยเหมือนั้นโทษโทษขนาดนั้นมาเนีเพราะเขาขังอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพราะเข้าไปเขาก็ขังเลยแล้วนี่แหละโทรศัพท์ต่อไว้ทั้งหนอกทั้งหมดนะไม่ให้มีอะไรเข้าไปในเขารักษาถึงขนาดนั้นแนะ่ะในเรือนเรือนจําแต่หลวงพ่อก็ถามวาทั้งหมดมีเท่าไหร่ทั้งหมดผู้หญิงประมาณสามร้อยกว่าเนละผู้ชายแล้ะผู้ชายประมาณสองพันเลยได้ไหม ว่าโถหลวงพอ่อไม่ใช่น้อยเลยเสียพลังงานของชาติจริงๆเขามาอยู่ในคุกอยู่ในตารางตามไม่จริงน่าจะให้เกิดประโยชน์ไปทําความไม่ดีเข้าไปแล้วไปจับขังกันไว้อยู่อย่างงั้นน่าจะกลับมาเอาคนดีมาสร้างประเทศชาติเอาสมองมาพัฒนาประเทศชาติเอาสมองไปไปทํา รายทํารายหรือทาความชั่วเสียหายจากนั้เขาได้จับไปเข้าคุกไปขังกันไว้ที่นั่นเสียเสียกําลังเสียกําลังเสียพลังงานของประเทศชาติน่าจะเอาคนหนุ่มๆคนที่มีกําลังมาช่วยประเทศชาติแต่ถ้าไม่จับขังไว้ก็ไม่ได้ทีน้เลยลมันทำทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายอีกเลยจะต้องขังคุกใน่ขังคาย สรุปแล้วค็คุกในขังใครขังคนไม่ดีถ้าคนดีเขาจะไม่ขังถ้าคนดีก็อยู่นอกคุกถ้าคนทำไม่ดีก็อยู่ในคุกไปเห็นแล้วก็โอ้หลวงพ่อไปหลายแห่งหลายหนนี่แหละก่อนที่จะทำไม่ได้คิดได้อ่านคิดว่าเขาจะจับตัวเองไม่ได้ ที่ว่าตัวเองฉลาดอแต่มันไม่ฉลาดแต่คนเดียวมันคนรอบข้างที่เป็นผู้บอกบอกกล่าวเพราะตัวเองบางทีไปขายยาบ้านไปขายให้ใครไปขายให้ต้นไม้ก็ ย, ยังช่วยไปขายให้คนเอไปขายให้คนบางคนก็ต้องบอกเลยว่าขายให้ใครใครเป็นคนขายแล้วก็สืบสายตามเส้นนั้นมานล้วก็จับเข้าคุกหมดันะ ถ้าไปขายให้ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณนก็ยังชั่วอยู่ขายให้คนตัวเองจะฉลาดกันไหนกวฉลาดเถอะมันไม่หนีมันไม่พ้นตำรวจเขาแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงยกเป็นคำบาลีขึ้นว่าอักตังลุกตังเซโยปัชชาตะปติทุกตังความชัว่วอย่าทาเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นเมื่อทำลงไปแล้ว ความชั่วนั้นจะติดตามให้โทษติดตามให้ อ, อทุกข์เมื่อภายหลังให้โทษให้ทุกข์เมื่อภายหลังในขณะที่ทําเราก็ไม่ได้คิดแต่ว่าคิดยูบกลัวอยู่แต่จกียรติมันจะไม่ตามแต่ที่แท้พอทําไปแล้วนั่นน่ะมันตามมาแต่เนี่วิ่งหงวัวสุกหวัวซูลาวิ่งหนีแต่บางทีเงินที่ได้มาทั้งที่มันจะได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เ ป, นเป็นกรอบเป็นกรำเพื่เอเอามาใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งหมดนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าความชั่วอย่าทําเสียเลดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําไปแล้วความชั่วนั้นจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเออทีนี้ในพรรษาผู้ที่มาเข้าวันก่อนๆ ก, ก็คงได้ยินหลวงพ่อพูดนะ แต่วันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็เห็นคนชัธาญาติโยมลูกหลานแปลกหน้าแปลกตา ม, มามามากหลวงพ่อก็จะได้พูดย้ำอีกย้ำเหมือนเมื่อวานนี่แหละพวกเราคณะชัฏาญาิโยมลูกหลานเป็นชาวพุทธพุทธมามา ก, กะเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาพรรษานี้แหละพรรษาสองพั้า้ห้าสี่เนี่ย เราจะยึดอะไรเป็นหลักจิตใจหรือว่าจะจะให้วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปไปเหมือนทุกปีอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอตามไม่จริงได้าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอายุของพวกเรามันแก่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางคนก็กเกษียณอายุแล้วเนี่ยควรจะสมัยก่อนเราก็มืดมนหรืองว่าสสแสวงหาทรัพย์ เผื่อเล็ก <_ d ata> เพื่อเลี้ยงครอบครัว <_ d ata> เพื่อเลี้ยงชีพ เ, เราพอหมกมุ่นในการทําการทํางานแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเราจะไปหมกมุ่นในการทําการทํางานดูอีกหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกต้องนะควรจะสวแสวงนะหาทางทางของตัวเอ ง, งเลย อ, อย่างหลวงพ่อเคยยกเป็นอุทาหรณ์ให้ให้ฟัง พ่อของนายช่างทองอยู่ในกรุงสาวัตถีไม่เคยไปวัดไปวาเลยอยู่แต่ที่บ้านมีแต่ทามาค้าขายเนี่เป็นพ่อค้าทองแต่ในโลกเป็นพ่อค้าทองสืบทอดของจากพ่อเหมือนกันแต่โลกเนี่ยทั้งทํางานด้วยกับไปวัดด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพอไปฟังเกิดความเคารพนับถือเรื่มใสจนได้สําเร็จพระโสดาบันลูกชายเอจะทํำยังไงจะให้พ่อเข้าวัดนะ ดึงพ่อขอวัตพ่อคงไม่เข้าก็เลยนิมนต์นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านของตัวเองมาฉันที่ร้านทองพระพุทธองค์ก็ฉเฉ ด, ดนะเ พ, พราะเหตุใดพระพองค์มองเห็นแล้วว่าเราไปนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจะโปรดใครนยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกไปที่ไหนจะเกิดประโยชน์ต่อ โลกเนะ่ะต่อจิตใจของผู้ได้รับเพราะพระองค์จะเสด็จไปตรงนั้นแต่นี้พระองค์ก็รู้แล้วอ่ะในพ่อของในช่างทองเนี่ยที่เป็นลูกชายคงจะได้มักจะได้มักได้ผลพระองค์ก็รับนิมนมลพอไปจะจะทำอย่งงางไงได้ใช่ไหมล่ะแต่พอลูกชายในมล พ, พระพุทธเจ้าฟ้องกับพระสงฆ์มาที่บ้านเมื่อถวายพระทหารเสร็จแล้วก็นิมนต์ เชิญให้คุณพ่อมาถวายพัตาหารด้วยพ่อจะไปที่ไหนได้พ่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านเค่นี้พอฉันเสร็จท่าพระพุทองค์งฉันเสร็จก็ลูกชายก็ให้พ่อมานั่งฟังพระพุทธเจ้าให้โอวาดพระพุทธองค์ก็บอกว่าพรามท่านจะได้เดินทางไกลนะ ไม่ใช่จะอยู่ที่นี่ที่เดียวนะท่านจะเดินทางไกลนะท่านได้เตรียมสเสบียงไว้หรือยังเสบียงเดินทางพร้อมหรือยังได้เตรียมไว้หรือยัง <sh arp> สเสบียงเดินทา ง, าา ง, ทางและอุปกรณ์ในการเดินทางอ่ะพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมอย่านะถ้าเดินทางท่านได้เดินทางนะ่ะจะทุกข์นะจะลําบากนะในการเดินทางนะเพราะนั้นได้เตรียมพร้อมเอาไว้ ul, ถ้าว่าคุณทัดยม เตรียมอุปกรณ์ในการเดินทางแล้วก็จะเบี่ยงเดินทางและจะไปพักที่ไหนได้คิดไว้เลยอย่างได้วางแผนไว้เลยีย่ว่าจะพักไปพักที่ไหนเพราะฉะนั้นให้เตรียมให้คิดเอาไว้จะได้เดินทางแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแอบพระพุทธองค์สอนพอจากนั้นพระองค์ก็เทศธรรมะให้ฟังจากนั้นเขาก็ได้สําเร็จเป็นได้สําเร็จพระโสดาบันเนี่ยอันนี้ได้ายค้าพระพองค์เตือน เตือนว่าโยมนะไม่ใช่จะอยู่เพียงเป็นหัวหน้าร้านทองเท่านี้นะอีกสักวันหนึ่งนะโยมจะต้องตายเมื่อตายแล้วยมได้คิดไว้หรือเปล่าว่าตายแล้วเกิดในตายแล้วศูนย์แต่มันไม่ศูนย์นะตายแล้วเกิดนะเมื่อเกิดไปภายภาคหน้าเนี่ยได้เตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของโยมไว้เลยอย่างได้เตรียมไว้เลยอย่างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ มีแต่ทำโ ส, ะสะแสวงหาปัจจัยสีเพื่อเลี้ยงชีพเป็นวันๆเท่านี้นะยังไม่เพียงพอนะเราจะเดินทางนะบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจหรือยังเราได้ทําบุญงามความดีเข้าสู่จิตใจเป็นที่อุ่นใจหรือยังถ้ายังไม่อุ่นใจต้องเตรียมจะเบี่ยงเดินทางเหมือนกับคนจะเดินทางเขาต้องเตรียมรองเท้าต้องเตรียมเสื้อผ้าต้องเตรียมผ้ากันหนาวต้องเตรียมเสื้อกันฝนต้องเตรียมร่ม ต้องเตรียมหมวกสิ่งไหนที่อำนวยความสะดวกเขาต้องเตรียมเพื่อจะเดินทางไกลแล้วก็พร้อมกันกร ะ, สะเสียงมีอะไรบ้างในขณะที่เดินทางจากนั้นจะมีเงินในกระเป๋าด้วยที่จะใช้จับใจใช้สอยในการเดินทางแล้วเราจะไปพักที่ไหนออกจากที่นี่นี่อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนออกไปพักที่ไหนคือพวกเราตายจากที่นี่แล้วเราจะไปที่ไหน ถ้าเราไม่มีจุดหมายปลายทางจะเป็นขนเล่ล่อนเ อ, อเล่หล่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเรามีจุดหมายปลายทางเออออกจากนี้เราจะไปค้างที่บ้านผือออกจากบ้านผือเราจะไปค้างที่อุดร อ, ออกจากอุดร เ, เราก็จะไปนู่นเอะจุดหมายปลายทางของเราคือกรุงเทพเลยเราก็มีจุดหมายปลายทางที่พักตํารายทางไล่ทางก็คืออะไรพวกเราออกจากทิศชาติ ท, ท <Deshalb> ี้เราไปสู <muitos S 1> ่สวรรค์ชั้นไหน เพราะเรามีเงินเราไปเลือกเลือกเกิดได้เลือกไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมมันจะเลื่อนลอยละเรือนไม่มีจุดหมายปลายทางในการในแนวความคิดของเราเพราะนั้นให้พวกเราทุกคนนะในพรรานี้เราควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างตัวจะรักษาศีลหรือไหว้พระ เราเราไม่พร้อมที่จะรักษาศีลนะเอาไหว้พระทุกวันอย่างน้อยก็กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจไว้ก่อนอพุทธทางธรรมสังขังสาธารณะคัจฉามินะโมตตะเพระเขาว่าตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธสระข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหัสตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างจากนั่นก็ ไหว้พระแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทางหลายวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือข้าพเจ้าตัวของเราจะไม่ผูกอาคาตพยาบาทจองเวรกับใครๆทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะจองเวก็เท่านั้นมันจะได้อะไร เราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเกิดมาชาติที่ใช่เราไปฆ่าเขาเราชนะแต่เกิดมาพบหน้าชาตินาแล้วเขามาฆ่าเราเราก็เป็นผู้แพ้เขาไม่มีใครผู้ชนะตลอดไปเรื่องจองเวรเขาเราเขาเราอยู่อย่างนั้นผลในสุดก็ไม่มีไปที่ไหนก็ไม่ได้จองเวรกันอยู่งั้นเหมือนกับไก่ตีไก่เลยพอถอยหลังมตัว น, นั้นกลับมาตีเี่ยตัวตีขับเขาตัว น, นั้นก็ไปถอยไปอีก ผลในสุดก็อย่างนั้นละเหมือนหมากัดไม้ไม่มีที่สิ้นสุดการจองเวรกันก็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเราแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเราจะไม่จองกรรมจองเวรแล้วจะไม่จองเวรกับใครๆทั้งหมดวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุเราให้ อ, อโหสินี่แหละอันนี้คือการไหว้พระสวดมนต์ของเราทุกวันคือพูดเป็นภาษาใจของเราเลยไม่ต้องพูดเป็นภาษาบาลี ภาษาบาลีเราเราแปลยากเราพูดเป็นภาษาใจของเราเนี่ยแหละเอาใจตั้งใจจริ ง, งตั้งใจให้แน่วแน่แลวกน็นึกในใจอย่างนั้นนี่แหละก็คือได้เพียงแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพราะทาให้จิตใจของเราอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่เกิดอารมณ์โกรธโมโหโกธาให้แก่ใครจากนั้นในภาษานี้ เราจะงดอบายยมกุกอบายยมุกห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวไว้อบายยมุกก็คือดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทําการงานอันนี้แหละคืออบายยมกุกเราจะงดได้ไหมเราจะไม่ดื่มน้ําเมาตลอดไตรมาสสามเดือน เราจะงดปูรีตลอดไตรมาสสามเดือนเนคัญชายาฟินเฮโรอินอะไรก็ตามที่เป็นของมึนเมาเราจะงดในสมเดือนเนี่ยเราจะไม่เที่ยวกลางคืนเ ท, เที่ยวเที่ยวเล่นเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันในพรรษาเนี่เราเคยแทงหวยแทงเบอร์มาแล้วล่ะทําอะไรแต่ในพรรษาเนี่เราจะงดดูซิ ใจของเราจะเป็นยังไงนี่นี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายงดอบายมุกจากนั้นก็ให้มีศีลห้าทีเดียวอย่างน้อยวันอาทิตย์วันอาทิตย์โอ้ท่านวันพรนไม่ได้หรอกเรามีการมีงานเอาเอาวันอาทิตย์ให้มีศีลห้าวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็ได้อหรือวันพระก็ได้รักษาศีลห้ารักษาศีล อ, อุโบสถรักษาศีลแป ในสามเดือนเนี่ยหรือเอาทั้งสามเดือนลงก็ได้หรือจะเอาเฉพาะวันพระก็ได้หรือจะเอาเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้อันนี้ก็คือเราต้องมีสัจจะมีความจริงจังและจริงใจตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้อันนี้ก็คือถ้าว่าเรามีสัจจะอย่างนั้นแล้วเราทาอะไรก็เป็นไปได้ท่นี้ บุญกุศลที่เราได้ทำนั่นแหละมันจะเกื้อกูลหนุนพวกเราพวกเราเงื้อคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจใเมื่อเราทำํำไหวพระสวดมนต์ได้ตลอดไตรมาสสามเดือนเรามีศีลห้าอย่างที่ว่านละ้วมีศีลห้าตลอดไปอย่างเนี้ยล้ว เ, เรางดอาบายามุกได้ตลอดไปจนถึงสามเดือนจากนันก้นเราก็มากราบ มากราพระพุทธอุดมมงคลที่บนศาลาของหลวงพ่อเนี่ยมากราประกาตั้งจิตเออข้าพเจ้าได้ไหวาดพระสวดมนต์ไม่ได้ขาดเลยตลอดไตรามาสสามเดือ น, เ, นเมื่อมันขาดข้าพเจ้าก็ย้อนหลังอีกให้ครบข้าพเจ้ารักษาศีลห้าตลอดไตรามาสข้าพเจ้ารักษาศีลนโบสถทุกวันพระบัดนี้ข้าพเจ้า ได้ทําสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประสาทพรให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ให้เข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดแล้วก็ขอให้กิจการงานของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับวงศาคณาญาติ อันนี้เราเมื่อเราทำดีแล้วเราค่อยมาขอพรขอพรจากพระพุทธปฏิมาอันนี้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็นจะประทานพรให้แก่เราไม่ใช่ว่าพวกเรากินเหล้าดื่มชราหัวฟัดหัวเวียงแล้วจะมาขอแต่พรจะไปได้พรจะพรจะประสัทพ ร, พ ร, พรได้ยังไงเพราะตัวเองไม่ทำความดี ตัวเองต้องทําความดีซะก่อนจึงขอพร อ, อ่าขอให้พวกเราเข้าใจนะตามเนี่ยถ้าเราทําชั่วแล้วจะไปขอพอรก็าวัดก็ไปขอเถอะไปป้นไปฆ่าเขาเ ข, ข้าแล้วนะเอตํำรวจไล่คุบตะคุบผิดแต่คุบถูกกัแล้วไปขอพอรอ่าให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กูบายกันประสาทพรให้ไม่ให้ติดคุกติดตารางเนะ่ยมันยากเหมือนกันนะ แต่ถ้าว่าพวกเราทําดีแล้วน่ะอพระพุทธเจ้าประสาทพรให้เลยเไม่ต้องไปข อ, อก้อาววัดหรอกเอวัดเดียวก็พอออยู่ที่ไหนก็ดีหมดถ้าคนทําดีถ้าคนทําทไม่ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโยมทุกๆท่านนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดสมัยก่อนสมไหมเป็นเด็กเป็นหนุ่มเราก็ทาํามาค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพ ในหลักพระบาลีท่านว่าตโมตะมะปรายโนะตะโมตะมะปรายโนคือแปลว่าเมื่อสมัยเราเราน้อยหนุ่มเราก็ส ะ, สะแสวงหาทรัพย์อย่างมืดมนอนตรการไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยเรียกว่ามืดมนอนตรการตโมตะมะตะปรายโนะแต่นี้เมื่อเราถึงจุดนี้แล้วน เราก็คสะสะวรสวัสดิหาทางเลยโชติปรายโนตโมตมะปรายโนโชติเอคล้ายๆกับเมื่อสมัยก่อนเราสวแสวงหาทรัพย์มุกมุ่นกับการเป็นอยู่แต่บัดนี้เราหาทางออกแล้วคือให้โชติคือทางออกเราอคิดหาทางไปของเราแล้วอถึงยังไงเรามาคิดเราก็ต้องได้ไปอยู่แล้วอย่างที่พราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าเตือนพราหมณ์เละ เออคือเตือนเจ้าของด้านทองนี่แหละเราจะต้องไปแต่นี้เมื่อเราสมัยน้อยหนุ่มแต่เราก็เข้าวัดเข้าวาดูรักษาศีลภาวนาแต่พอปลายพอปลายมือใครว่าเมื่อเท่าแก่ชลาแล้วมืดมนอนตรการอันนี้ไม่ดีอันนี้อันนี้ท่านว่าโชติปรายโนตโมตมะเมื่อสมัยน้อยหนุ่ม รู้สึกว่าเป็นผู้ไฝ่ในการกุศลแต่พอเท่าแก่มาแล้วมุกมุนในโลภโกรหลงราคะโทสะโมหะจนไม่รู้จักวัดจักวาจักพระพุทธศาสนาจักคุณงามไม่รู้จักคุณงามความดีเสียเลยอันนั้นธนว่ามืดมนุตย์การเมื่อแก่อันนั้นไม่ดีเพราะนั้นพวกเราคณะทธา ญ, ญาติรมลูกลานทุกคนนะสมัยขณะนี้เรา อยู่ในสถานะไหนแต่พอเป็นพอไปแล้วเออเอาคงจะเป็นบุญวัดาสนาบา ร, รมีของเราเราทำมาค้าขายกับเพียงแค่นี้แหละ เ, เราจะไปทุกข์เดือดร้อนกับการสะแสวงหาทรัพย์เกินไปก็ไม่ถูกแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ได้งอมืองอเท้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้บอกเอาไว้แล้วว่าเาททธธรรมมิกัตรประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบัน4ี่อย่าง อุตฐานสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันเพราะพระเจ้าไม่ให้ให้งอมืองอเท้านะให้หมั่นให้ขยันอุตฐานสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน อ, อรารคะสัมปทาน อ, อรารคะสัมปทานคือให้รักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความยากลําบาก อ, อรารคะสัมปท า, านกัลยาณมิตร ให้คบเพื่อนที่ดีงามสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปโกโหกต้มตุ๋นเขามาเลี้ยงชีวิตเรานี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้งอมืองอเท้านะพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สอนให้คนขี้เกียจนะพูดง่ายๆให้คนขยันแต่ว่าให้ขยันที่ถูกทาง ไม่ใช่ว่าขยันขายยาบ่งยาว่า ข, ข, ขยันเล่นหวยเล่นเบอร์ขยันป้นขยันกี้ขยันคดขยันโกงอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ท้างทางหรของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้หมันขยันในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมนะเอาตอนนี้ไปรับพรนะเจนี้นะคุณวรเสียงเข้ามารบกวนละ่ะ